ขึ้นมาแค่ไหนไหมครับอย่าไปสนใจมั้ครับสนใจเออวันนี้เรารู้รู้ชัด เ, เมื่อกี้เราเผลอแล้วเอาตัวที่ที่เป็นจริงนี่ครับขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วพออะไรเกิดขึ้นจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามปีติก็ตามอย่าไปสนใจมั้ยคที่คนทั่วไปมักจะไม่รับการอบรมหรือแนะนําที่ที่ชัดเจนนนมันอยากได้อยู่แล้วครับปีติเนี่ยคล้ายๆกระลิ้มกระเหลีลยอย่างได้เพรนัง่งๆั่งพอเกิดปีติมันความหมัด จริงคนระความหมาพรา้อมอยากได้แล้วนะทีนี้ผมเมื่อไปเรียนกรรมฐานกับอาจารย์คนหนึ่งเนะี่ยท่านบอกผมผมง ง, งงมากทีแรกท่านบอกว่าสุขก็จะเอานะอะไรเกิดทิ้งให้หมดนะผมง ง, งงมากเลยผมอยากได้อยากได้ความสงบท่านบอกพอสงบเกิดทิ้งเลยนะไม่เข้าใจครับทีแรก เ, เราปฏิบัติเพื่อความสงบแล้วบอกให้ทิ้งมันจะได้อะไรเลยทีนี้เหมือนกันหลายๆคนสงสัยนะปฏิบัติแล้วจะได้อะไรถ้าผมบอกนะว่าปฏิบัติแล้ว ก็คือไม่ได้อะไรครับคือคือเราปฏิบัติเพื่อไม่ต้องการอะไรเลยเนี่ยจริงไหมเพื่อเราต้องการจะละความต้องการในสิ่งทั้งปวงเนี่ยทีนี้เราอยากได้อยู่แล้วปิติครับมีมีเหตุนหนึ่งเนี่ยผมผมสําคัญตนเราเป็นพระอรหันนะจะเล่าให้ฟังน่อยครับขำดีมากคือความที่มันเข้าใจผิดอยู่เป็นพื้นครับว่าพระอะหรหันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้ อ, ง, องนั้นมันเข้าใจมันเข้าใจตัวเองเนี่ย ทีนี้ผมก็ไปปฏิบัติวันหนึ่งนยมันเกิดขึ้นมาครับมันสะอึกขึ้นมาเนยมันคล้ายๆลมาใมหายใจจะสิ้นครับสองสามครั้งแล้วผมล้มทั้งยืนฮะลม้มลงบนพอดีตรงนั้นมีเก้าอี้พะบใบผมล้มตึงลงไปเอ๊พะพลุกขึ้นมานี่ตัวอ่อนกมดเลยเนะยนุ่มเหมือนไม่มีกระดูกอ้หมันสบายเลยนีย่ห้องห้องนี้สว่างาที่พอดีเด็กของมามรกรเชื่อมมาให้ครับ ผมก็ตักก็แตะที่ลิ้นหวานเจ็บแล้วขาดเอ๊ะผมแคสงสัยเราบรรลุธรรมนะเงี Au ้ยเพราะเพราะมันขาดตอนหน้าตาก็จริงจริงใไหผมไม่ได้หลอกตัวเองนะคือมันหวานเจ็บแล้วขาดปุ๊บมัอไรนมันคล้ายๆมันอยากได้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่รู้ตัวว่าเราต้องการอยู่แล้วเนี่ยไปสร้างความรู้ลงหน้านี่อันตรายมากครับผมก็ตอนนั้นเป็นนักบวชด้วยครับก็เอาบาตรไปล้าง ตอนเดินไปนี่แหมเหมือนลอยไปนะครมันรู้สึกสบายมามันอิ่มเออมันหลอกผมเดินไปถึงลําธารก็พอเท้าเหยียบก้อนหินก็อนหนึ่งเนี่ยมันรู้ล่วงหน้าที่ว่าก้อนหินจะพลิกพอเห็นอย่างนั้นทำไมมันเกิดยานล่วงหน้าอย่างนี้เนี่ยมันคือมันค่อข้างไปเรียนมาครับมันเรียนมามันก็หลอกมันหลอกตัวมันเองครับพอบาดวางที่บาดมันลื่นมันจะไหลมาเนี่มันรู้ครับมันรับ โอโหผมคิดว่าโอ้โหน้าดูแล้วเราคิดอย่างนี้แล้วมันคิดวมันน่าดูแล้วน่าดูแล้วทีนี้พอออกครรษาผมก็ไปหาอาจารย์ครับไปหาอาจารย์ที่ที่สอนรมฐานผมพอท่านเห็นหน้าผมท่านมวยวายครับพูดอผมนึกในใจว่า อ, อาจารย์คงไม่รู้จักผมสินะใกล้ๆนี่ <laughs> คือมันมันไม่รู้จักตัวเองนะท่านพูดอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งผมผมยัวนะ แล้วมันยังไม่รู้จักว่าเนี่ยโมโหเลยยังจะคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันอีกพระอรหันที่โมโหเอ้ยผมนึกในใจว่าอาจารย์คงไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยผมก็เลยหนีเลยหายไปเดือนเศษพออีกเดือนในนี้ไอ้ภาวะชนนี้มันหายไปมันกลับทุกข์อีกแล้วครับค่อยๆนึกถึงคําของท่านได้ว่าเออจริงๆด้วยนะถ้าท่านไม่ทําให้ผมโกรธแต่นั้นผมคงคงไม่รู้จักมันคือ อะไรที่เราเรียนรู้ลงหน้านะครับเช่นรู้ว่าพระอราหันต์เป็นผู้สงบสันติสิ้นเวรไม่ลิสยาเนี่ยสิ่งอันนี้ครับเป็นที่ผมเรียกว่าโปรแกรมเราถูกโปรแกรมไว้ในหัวเนี่เรียกว่าเรื่องในธรรมบทมีเรื่องนึงครับลูกศิษย์อาจารย์เข้าไปปฏิบัติในป่าอาจารย์นั้นถึงที่สุดแล้วลูกศิษย์ยังไม่รู้อะไรครับทีนี้ความที่อาจารย์ไม่ไม่ฉลาดในการสอนสอนแต่ท่านฉลาดในการแก้อารมณ์ดังนั้นพอลูกศิษย์เขาไปเดินไปเดินมา พอเดินจงกลมไปสุดทางด้านโน้นเป็นโสดาหันกลับมา น, นี้ถึงเป็นส ก, กิทาึ้นมาเนอะกูมัน ค, คิดตัวเองครับพอเลี้ยวไปทางโน้นเป็นนาคาเนี่ยพอมาที่ทีเป็นพระระหันเนี่ยอาจารย์ก็ยืนรอพอเป็นพระระหาอาจารย์ก็ตกเปลี่ยนเขาก็รู้สึกตัวเอมก็คิดเอาเท่านั้นเองดังนั้นเราไม่ต้องคิดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องคำนึงว่าเราเป็นอะไรทั้งนั้นครับ เราเพียงปฏิบัติธรรมะนี่ครับให้มันรู้เนื้อรู้ตัวเท่านี้ครับให้มันพอรู้พอเห็นพอเข้าใจแล้วก็จะเลี่ยงหลบจากความเป็นคนธรรมดาสามัญครับเราไม่ใช่ผู้พิเศษผมจะชี้แจงนะครับว่าในในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั้นนะครับผู้ที่เห็นพระเจ้าเขาจะเรียกว่าเขาเติมท้ายซ้อยนามนครับว่าเทพครเทพ คือเป็นเทวดาเขาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นเทพหรือเป็นเทวดาแต่ในพุทธศาสนาเรานะครับผู้รู้ธรรมเนี่ยคือคนธรรมดาครับเราใช้ใช้สอยนามว่าอริยะบุคคลคือยังเป็นคนอยู่นะคือคนธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเป็นอริยะคือห่างไกลจากกิเลสถ้าเป็นพวกอินดูพราหมงเขาเป็นเทวาครับเป็นเทวดาเพราะเขาถือาระดับฌานเป็นเครื่องวัดแต่ว่าในพุทธศาสนาเราใช้คําว่า อย่งคนธรรมดาเาเรียกปุถุชนครับปุถุชนหนึ่งนี่นเป็นผู้พจน์คือคนมันจํานวนมากแล้วถ้าเป็นเอกพจน์ก็เรียกปุถุบุคคลนะทีนี้จากปุถุบุคคลนี่มันกลายเป็นอริยะบุคคลคือยังเป็นบุคคลหนึ่งครับเป็นคนเนี่ยนะถือ้าฮินดูหรือพราหมณ์เขาถือว่าอย่างสมมติเขามีครูหรืออะไรที่เป็นสวามีเขาเข้าถึงพระเจ้าอะไรเนี่ยลูกศิษย์จะไม่มองเห็นว่าเป็นคนนะ เห็นนเนี่ยเป็นเทพครับเป็นเทวดาซึ่งเขาต้องเชื่อแล้วเกรงกลัวมากในพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนอย่างนั้นดังนั้นเราไม่ต้องปฏิเสธความเป็นบุคคลสามัญผมอยากจะพูดนี้นะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีนะครับโจรก็ดีเนี่ยที่จริงก็เป็นคนเท่ากันนะแล้วก็ยังโจรที่ชื่อองคุริมาเนี่ยต่อมาท่าน แต่ว่าโจรที่ชื่อองคริมานยังไม่ ร, มรู้ยังไม่รู้จักตัวเองถึงที่สุดครับคือยังไม่ไม่เข้าใจธรรมะส่วนพระเจ้านั้นท่านรู้จักเมื่อองค์ริมานเข้าใจองค์ริมานก็ไม่แตกต่างจากพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้เท่ากันแต่ว่าพระเจ้ามีความฉลาดความสามารถมีบารมีด้านอื่นมากเช่นฉลาดในการสอนฉลาดในการแยกแยะแจกแจง แ, แ, แ, แ, แ, แต่ว่าผลที่เข้าถึงนั้นเท่ากัน ทีนี้ถ้ า, ถามากไปกว่า น, นั้นนะครับพระพุทธเจ้ากับปุถุชนเนี่ยที่จริงเหมือนกันทุกประการเนะคือมีธรรมชาติเสมอเหมือนกันแต่ปุถุชนนั้นไม่ไม่เข้าถึงส่วนพระเจ้าท่านเข้าถึงข้อต่างก็มีอย่างนี้ดังนั้นพระเจ้าเองจัดนะครับว่าตราบใดที่มีบุหาร ว, าว่าท่านจักตราบใดที่เราและเธอยังไม่รู้แจ้งอริยสัจเราและเธ อ, อยังวนเวียนในวัฏสงสารนะครับ คือท่านไม่คิดว่าท่านท่านพิเศษ over คนอื่นนะฮะแล้วก็เวลามีการมราคะเกิดท่านก็สารภาพพระเจ้าท่านเป็นคนผมเิดว่าพระเจ้าเป็นมนุษย์ที่สัตซื่อที่สุดเป็นาศาสดาที่สัตซื่อแต่เพื่อนมนุษย์ที่สุดคือไม่อ้างตัวเป็นเทวดาเข้าใจไหมครับไม่อ้างโอ้ยนี่ฟ้าดินน็สงนะท่านไมนพูดอย่างนั้นเวลาท่านปฏิบัติยังเป็นพระภิกษุผู้นักบวชหนุ่มอยู่ท่านมีการมราคะรุกรามท่านก็บอกเล่าให้พระฟังว่า ท่านติดกามราคะแล้วหมุนไปไม่ได้จิตไม่เคยบรรลุสมาธิท่านก็เล่าตามที่เป็นจริงเนี่ท่านกลัวผีท่านก็เล่าให้ภิกษุฟังว่าท่านกลัวผีจะเป็นเทวดามันต้องไม่กลัวสินะอย่างพะดูอย่างพระเยซูก็ดีอะไรนี่พขากว่าเป็นโอรสของสวรรค์เป็นพระบุตรของพระยาฮวามันราก็ว่าเป็นสิ่งสําเร็จมาแล้วตั้งแต่คลอดเลยนะดังนั้นพวกคริสเตียนก็นับถือพระเยซูเนี่ยอย่างชนิดแต่ต้องไม่ได้ครับ ใครไปอ้างว่าเขาเป็นพระเยซูเดี๋ยวถูกตึงนะครหรือเอ๊ะอย่างพระเยซูนี่เขาถือว่าตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยนะครับเป็นเป็นองค์พระเจ้าตั้งแต่แรกเกิดเลยครับจนกระทั่งวันสุดท้ายอย่างพระเจ้าของเราไม่ได้อย่างนั้นนะครับมีท่อนต้นคื อ, อ, อ, อเป็นเจ้าชายสิทสุทธะเจ้าชายศรีสุทธะก็คือปุตุชนครับก็เต็มไปได้วยความ โลกความหลงเหมือนๆกันทุกๆคนแต่ว่าท่านอาจจะมีแนวโน้มเองที่ที่ดีคือสั่งสมบารมีไม่มากฉลาดเมตตาอะไรนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นปุถิชนผมเคยอธิบายละเอียดแล้วใช่ไหมครับพอใต้ต้นโพนะัท่านเปลี่ยนชีวิตไปนะฮะแต่ว่าชีวิตทางกายก็สืบเนื่องกันอยู่ดังนั้นถ้าเราไปดูในพระสูตรนะพี่เจ้าท่านตอนเสด็จ ไปดับขันที่ทกุสินาราครับท่านหิวน้ําครับสั่งพระนนไปตักน้ําพระนนบอกว่าเกวียนเพิ่งผ่านเนะ้่ยน้ำมันขุนนะ่นเนี่ยท่านพูดบอกว่าท่านหิวจนทนไม่ไหวแล้วนะท่านก็คือคนธรรมดานะครับแต่ว่าท่านไม่มีกิเลสอนะีะทีนี้บางคนเข้าใจนะครับบางพกระก็จพระเจ้ามีฤทธิ์มีเดชตอนไปรีบผ่านทำไมพระเจ้าไม่เหาะไว้ให้มันหมดเรื่องไปนะ จะมาถอสังขารน่ที่จริงเรื่องนั้นขัดกันเองเป็นบ้าเป็นหลังหนเข้าใจไหมครับเลยขึ้นะมองเลยมงจะประชุมกันยัง